บุกทูเจ็ดสิบแปดฟตโดแฮชคำคุณศัพท์หนึ่งเซฟทเยผู้หญิงชราหนึ่งคนยชคอนูมพีร์ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน เย็กขวานเมช้ากผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนเย็กขวานุมคอนชคอรถใหม่หนึ่งคันเยกขุ่มคนรถความเร็วสูงหนึ่งคันเยกขวานุ่รคอนรถนั่งสบายหนึ่งคัน เยคโคดรูย์โรฮัตชุดเรสีฟ้าหนึ่งชุดเยคเคเลบอสอบีชุดเรสีแดงหนึ่งชุดเยคเคเลบอสเมสชุดเรสีเขียวหนึ่งชุดเยคเคเลบอสซบกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ ยกคีเฟกระเป๋าถือสีน้ําตาลหนึ่งใบยกคีเฟ่กาเวอกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบยกคีเฟ่เซฟคนใจดีหลายคนมาโดเมเมฮรบอนคนสุภาพหลายคน مردم ب ا มบอาดบคนน่าสนใจหลายคน مردم جالب เล็บเด็กน่ารักบั چ ه های ع ز ی ز เด็กดื้อัดเ های บอาดบเด็กดี ب ัดเ های خوب ุ้ม د ب